เอาน่ายอย่าซีเรียสเรื่องอยากเห็นตัวปัญญายังมีเสือหนุ่มตัวหนึ่งดุร้ายมากวันหนึ่ง มันออกไปหากินตามปกติขณะที่มันสอดสายสายตาหาเหยื่ออยู่นั้นมันก็แลเห็นช้างตัวหนึ่งกำลังยืนอยู่ใต้ต้นไม้มันจึงวางแผนที่จะจับช้างให้ได้แล้วเสือก็เดินตรงไปหาช้างทันทีฝ่ายช้างเมื่อเห็นเสือเดินตรงเข้ามาหามันเช่นนั้นครั้นจะวิ่งหนีไปก็ไม่ทัน จึงทำใจดีสู้เสือและพูดกับเสือไปว่าสวัสดีเจ้าเสือผู้ยิ่งใหญ่เจ้าจะไปไหนหรือข้าก็จะมาจับเจ้าไปเป็นอาหารหนึ่งเสือตอบช้าก่อนเจ้าเสือร้ายเจ้าคงไม่รู้หรอกว่าตอนนี้ข้าไม่ได้เป็นอิสระแล้วข้าเป็นเฉลยเขาอยู่ ช้างพูดใครจะกล้ามาจับเจ้าเป็นฉเฉลยได้นอกจากข้าเจ้าป่าผู้ยิ่งใหญ่นี่ไงเจ้าเห็นไหมขาของข้าถูกล่ามโซ่อยู่กับต้นไม้นี้ก็เพราะข้าตกเป็นฉเฉลยของมนุษย์ช้างพูดพร้อมยกขาที่ถูกล่ามโซ่ให้เสือดูอะไรกันมนุษย์ตัวเล็กนิดเดียวยังจับเจ้าล่ามโซ่ได้หรือ เสือถามอย่างสงสยัยก็ใช่น่าเสยมนุษย์ตัวเล็กๆนี่แหละถึงจะไม่มีเขียวเล็บไม่มีขาวหรืองาแต่มนุษย์นั้นมีปัญญาช้างตอบยืนยันเสือพอได้ยินช้างพูดถึงคำว่าปัญญาก็สนใจจึงถามช้างขึ้นว่าไอตัวปัญญาของมนุษย์มันวิเศษแค่ไหนเชียว ถ้าข้าเจอแล้วก็จะจับกินเสียให้เคสปัญญาของมนุษย์ก็อยู่ที่ตัวมนุษย์สิเจ้าเสือเอ้ยถ้าเจ้าอยากเห็นจริงๆแล้วก็รีบแก่โซ่ที่ผูกขาข้าออกสิแล้วข้าจะพาเจ้าไปดูได้เลยเสือพูดแล้วตรงเข้าไปแก้โซ่ที่ผูกขาช้างออกแล้วช้างก็เดินนำเสือมุ่งสู่บ้านมนุษย์ทันที เมื่อถึงบ้านมนุษย์แล้วช้างก็ตะโกนเรียกมนุษย์ให้ออกมาพบข้างนอกฝ่ายมนุษย์ไม่รู้ว่าใครมาเรียกก็ออกมาจากบ้านโดยที่ไม่ได้ทันระวังตัวทันใดนั้นเสือซึ่งรอจังหวะอยู่แล้วจึงตะครุบตัวมนุษย์ไว้ในกรงเล็บอย่างง่ายดายมันหัวเราะเยาะด้วยเสียงอันดังที่สามารถเอาชนะมนุษย์ผู้พิชิตช้างได้ เสือจึงหันไปพูดกับช้างว่าเจ้าช้างนหนจะว่ามนุษย์มีปัญญาเก่งกล้ายังไม่ทันได้ต่อสู้เลยขาก็จับมันได้แล้วและข้าจะกินมันเสียเดียวนี้แหละมนุษย์เมื่อได้ยินเสือพูดอวดตัวเช่นนั้นก็ใช้ปัญญาของตนต่อสู้กับเสือทันทีโดยพูดกับเสือว่าช้าก่อนเจ้าเสือถ้าเจ้ากินข้าตอนนี้ เจ้าก็จะไม่มีโอกาสเห็นตัวปัญญาของข้าเลยเสือได้ยินดังนั้นก็หยุดชะงักแล้วถามมนุษย์ไปว่าไหนล่ะตัวปัญญาของเจ้าก่อนตายเอามาอวดข้าหน่อยเป็นไงได้สิถ้าเจ้าอยากดูแต่ตัวปัญญาของข้าอยู่ในบ้านถ้าอยากเห็นเจ้าต้องปล่อยข้าไปถ้าจะได้ไปจูงมันออกมาให้เจ้าดูฝ่ายเสืออยากเห็นตัวปัญญาเป็นหนักหนา จึงหลงกลปล่อยมนุษย์ไปมนุษย์มาถูกปล่อยตัวเป็นอิสระแล้วก็วางแผนจัดการกับเสือโดยพูดคูเสือไปว่าระวังนะเจ้าเสือตัวปัญญาของข้ามันตกใจง่ายถ้ามันเห็นเจ้าเข้ามันจะวิ่งหนีเข้าบ้านแล้วจะไม่ยอมออกมาอีกเป็นเด็ดขาดแล้วเจ้าจะให้ข้าทาอย่างไรเสือถามไม่ยาก เจ้ามาให้ข้าจับมัดไว้กับต้นไม้เสียก็สิ้นเรื่องมนุษย์เสนอความคิดตกลงเสือตอบมนุษย์ก็จัดการมัดเสือไว้กับต้นไม้แล้วก็เดินเข้าบ้านไปและออกมาพร้อมกับหวายในมือเสือเห็นมนุษย์ถือหวายออกมาก็แปลกใจจึงถามว่าไหนล่ะตัวปัญญาของเจ้าไม่เห็นจูงออกมาให้ข้าดู มนุษย์ชูไหวขึ้นแล้วพูดว่านี่ไงล่ะตัวปัญญาของข้าไอ้ด้านมันหวจะเป็นตัวปัญญาได้อย่างไรเสือแยง้งนี่แหละตัวปัญญาของข้าไอเสือนางงเจ้ามันอวดเก่งนักข้าจะสั่งสอนให้รู้สำนึกเสียบ้างพอมนุษย์พูดขาดคำก็หัวเสือด้วยหวยอย่างมันมือจนนับครั้งไม่ทวน เรื่องนี้สอนว่าอย่าทนงหลงว่าเราเก่งกว่าคนอื่นเพราะอาจมีคนเก่งกว่าเราก็ได้และเมื่อ น, นั้นเรานั่นแหละจะอับอายขายหน้าคนอื่นๆเขาจนมองหน้าใครไม่ได้